ที่บอกว่าเมื่อเห็นจักเป็นเพียงสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นเพียงสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้งดูก่อนพาหิยะท่านผึกศึกษาอย่างนี้แลพุทธพจน์บทนี้ยาตะปริญญากับตีรณปริญญาแล้วก็กล่าวต่อไปว่าในการใดแลเมื่อท่านจักเห็นเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อ ทราบจักเป็นเพียงศักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นศักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีอันนี้เป็นปหาณะปริญญาพุทธพจน์นี้เป็นปหานะปริญญาบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายะโตได้แก่ในการใดหรือเพราะเหตุใดบทว่าเตได้แก่ตะวะเธอนั่นเองอบทว่าเตนะความว่าด้วยรูปอันเธอเห็นแล้วเป็นต้นหรือด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นอันเนื่องกับรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้น รูปที่เห็นแล้วนี่มีอะไรกันวะกิเลสเนี่ยเนื่องกับรูปที่เห็นนะใช่ไหมกิเลสเนี่ยเนื่องกับรูปที่เห็นถามว่าเนื่องอย่างไรปิยรูปสารรูปนี้เนื่องด้วยกิเลสอะไรถ้าหาว่ารูปเป็นที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนานเนี่ยนะอันนี้กิเลสไหนเนื่องอยู่โลภะเนื่องอยู่ถ้ารูปนั้นไม่น่ารักไม่น่าปรารถนานไม่น่าพอใจกิเลสไหนเนื่องอยู่โทสะ ธรรมะทั้งหมดเนื่องด้วยธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะอะไรเนื่องอยู่ในนั้นอวิชชาเนื่องด้วยอยู่ในธรรมะหมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่เนื่องอย่างนั้นอวิชชาเนี่ยมันเป็นความมืดเถอะนะที่ไหนที่ไหนสว่างได้ที่นั่นก็มืดหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นอกอเลตมีราคาเป็นต้นเนื่องกับรูปที่เธอเห็นแล้วเนไ เพราะในสีหนึ่งสีเนี่ยทำยังไงโลภะจะไม่เนื่องในสีอันนั้นทำยังไงโทสะจะไม่เนื่องในสีอันนั้นก็บอกโอ้ก็ชอบสีอันนั้นมากๆสิจะได้ไม่ต้องมีโทสะใช่ไหมนึกชอบสีนั้นนั้นจะได้ไม่มีโทสะนี่ถ้าทฤษฎีนี้ถูกไหมเออดีนะเราก็เห็นแล้วก็ชอบไปให้หมดเลยเราก็ไม่ต้องเสียใจยกับสีนั้นนั้นถามว่าคิดอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเพราะอะไร อ, อธิบายด้วยนะ ทำไมจึงไม่ถูกเพราะว่าถ้ายินดีในรูปใดมากรูปนั้นจะทำให้เสียใจายมากเพราะไม่มีรูปใดในโลกนี้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีรูปใดในโลกนี้ที่ไม่มีความแปรปรวนเพรา ะ, ะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าไปเพลินในรูปนั้นมากรูปนั้นจะก่อให้เกิดทุกข์มากเพราะฉะนั้นตัดไปแต่ต้นลมก็บอกว่าก็อย่าไปเพลิดเพลินกับรูปนั้นไป พูดง่ายเหลือเกินนะแต่ถ้าหากว่าไม่ทําปริญญาในรูปนั้นไม่รอบรู้ในรูปอันนั้นอย่างตลอดสายจริงๆบอกว่าอย่าเพลินยังไงก็เพลินตัดใจไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่ารู้ความจริงของรูปเหล่านั้นหมดแล้วก็จะตัดความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นได้เมื่อไหร่นะจะเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยจะเห็นอารมณ์เหล่านี้เป็นเหมือนกับพระธิมุตนะธิมุตเทระนี่ท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเหมือนกับไอ้ก้อนเหล็ก กระเบื้องอะที่ถูกเผาไฟทั้งวันอะในอารมณ์ทุกอารมณ์เหล่านั้นนะเหมือนกับกระเบื้องที่ถูกเผาอยู่ทั้งวันอะหรือเหมือนก้อนเหล็กแบงๆเลยนะทุกๆอารมณ์เนี่ยนะก็บอกว่าอารมณ์ทุกๆอารมณ์เนี่ยท่านมีความรู้สึกแบบนั้นอันนี้ในสายตาพระอรหันนะก็บอกว่าในโลกียธรรมทั้งหมดเนี่ยในความเห็นของท่านสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับก้อนไฟมันถ้าหากว่าท่านเห็นเหมือนกับก้อนไฟท่านก็ไม่เพลิดเพลินในอารมณ์ไหน เมื่อไม่เพลิดเพลินท่านจะไปทุกข์อะไรกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นไหมเขาบอกว่าโจรจะไปตัดคอท่านท่านยังเฉยเฉยเลยตัดก็ตัดไปที่ก็ดีเหมือนกันจะได้นิพพานทัทีท่านกำลังวางเั้นของท่านไปนะของเราโอ๊ยอย่าเพิ่งอ้อนวอนให้เราไปเป็นทาสเถอะทาสกว่าเอากรรมกรก็ดีอย่างนั้นนะะอ้อนวอนหมดแหละแต่บอกว่าเออตัดก็ตัดไปอะไรกวอะไรไปท่านไม่ไม่ยึดถือเพราะท่านไม่เพลิดเพลินเลยในภพใดๆท่านก็ไม่เพลิดเพลินแต่ท่านรอบรู้อารมณ์เหล่านั้นอย่าง ตลอดสายตรัานีไว้ว่าภายยะในการใดหรือพ่อเหตุใดเพียงรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้นจักมีแก่เธอผู้ปฏิบัติตามวิธีที่เรากล่าวแล้วในรูปที่เห็นแล้วเป็นต้นด้วยการอย่างรู้สภาพที่ไม่วิปริตนะนะถ้าเห็นวิปรินี้เห็นอย่างไรวิปรินี้เป็นชื่อของอะไรวิปลาสอานะนะ ถามว่าวิปปะละเป็นอย่างไรวิปปะละก็คือมีความสําคัญหมายหรือมีความเห็นหรือมีความคิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่งามว่างามอันนี้เขาเรียกว่าเห็นวิปริตนั่นนะนะถามว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่เป็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการอย่างรู้สภาพที่ไม่วิปริตเนี่ยนะ เห็นอะไรจึงจะเชื่อว่าละนิจาวิปลาสได้เมื่อเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละนิจาวินิจาสัญญาได้เนี่ยนะนิจาสัญญาหรือว่านิจาทิฐิหรือว่าไม่ใช่นิจจานี่นะคือความเที่ยงเนี่ยไอสําคัญว่าเที่ยงเนี่ยด้วยสัญญาก็ได้ด้วยอํานาจของจิตก็ได้ด้วยอํานาจของทิฐิก็ได้ แต่ทำไมท่านจึงใช้คําว่าสัญญาวิปลาสเขาบอกว่ายกเป็นประธานจิตตวิปลาสกับทิฏฐิวิปลาสในนิจจา น, นั้นเท่ากับกล่าวแล้วแต่ว่ายกอันเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละสัญญาวิปลาสได้อันนี้ยกสัญญามานะจิตกับทิฏฐิเท่ากับกล่าวแล้วเมื่อเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็จะละสุขสัญญาได้เมื่อเห็นโดยความเป็นอนัตตก็จะละอัตตาสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายก็จะละความเพลิดเพลินได้ นะเมื่อคลายกำหนัดก็จะละัราคะได้เมื่อเห็นโดยความดับ ก, ก็จะละสมุทัยได้เมื่อเห็นโดยความสละคืนก็จะละความถือมั่นได้ครับว่างั้นเพราะฉะนั้นในการนั้นหรือเพราะเหตุนั้นเธอจักไม่มีพร้อมด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นที่เนื่องด้วยรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้นโอ้สบายเลยนะมิหน้าท่านยังมารู้อัตถาขยายอย่างนี้นี่เอง เธอจะเป็นผู้ไม่กำหนัดขัดเครืองหรือลุ่มหลงหรือจากไม่เป็นผู้เนื่องกับรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้นนั้นเพราะจะไม่มีวิปลาสในอารมณ์เหล่านั้นเลยแต่เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่าเพื่อคลายกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นนั่นเองเเพราะละราคะเป็นต้นได้แล้ว บอว่าตะโตตวังพาหิยะนะตักษาความว่าในการใดหรือเพราะเหตุใดเธอจะเป็นผู้กำหนัดเพราะราคะนั้นขัดเครืองเพราะโทสะหรือลุ่มหลงเพราะโมหะในการนั้นหรือเพราะเหตุนั้นเธอจะไม่มีรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้นหรือเมื่อรูปที่เมื่อรูปนั้นที่เห็นแล้วหรือเสียงและอารมณ์ที่ทราบแล้วเธอจะเป็นผู้ไม่ค่องตั้งอยู่ด้วยตันหามานาทิฏฐินั้นว่านั่นของเรา นั่นเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรานนแสดงว่าผู้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะยึดมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยด้วยอำนาจของตัณหาก่อนถ้ามีตัณหาในอารมณ์นั้นนะมานะจะต่อเข้ามาทิฏฐิจะซึมเข้าไปนะมันก็จะสลับกันทั้งตัณหามานะทิฏฐิในอารมณ์นั้นเพราะไม่รอบรู้อารมณ์นั้นตลอดสายด้วยคำเพียงเท่านี้พระองค์ทรงให้ปหาณะปริญญา ถึงที่สุดแห่งขีนาสวะภูมิขีณะแปลว่าสิ้นแล้วขีนาสวะเนี a, ่ยนะอาสวะเครื่องหมักดองเนี่ยสิ้นแล้วก็เลยใช้คำว่าขีนาสวะไทยๆใช้คำว่าขีนาศพขีนาศพก็คือขีนาสวะขีณเนี่ยแปลว่าสิ้นแล้วคือสิ้นอาสวะแล้วภูมิเป็นที่สิ An ้นอาสวะแล้วภูมิไหนสิ้นอาสวะจริงๆระดับไหนนะ อรหันนะเป็นผ้าอารหันแล้วจึงจกสิ้นอาสะวะโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะเพราะว่าพระโสดาบันก็ยังมีกามาสะวะได้พระสกาทาคามีผ้านาคามียังมีกามาสะวะผ้าอารหันเท่านั้นเองจึงจกละอาสะวะได้ทั้งหมดเลยเป็นพระขีนาสพวัยพุหรืออีกชื่อหนึ่งของผ้าอารหรันชื่อว่าขีนาศพขีนาสะวะบ่นว่าตะโตะตวังพาญยะ เนวิถาณนะหุรังณนโะอพยมั ต, ตเตนะความว่าพะยะในการใดเธอจักเป็นผู้ไม่เกี่ยวเนื่องในรูปที่เห็นแล้วเป็นต้นด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นนั้นในการนั้นเธอจักไม่มีในโลกนี้จักไม่มีในโลกทั้งสองบทว่าเอเสวันโตทุกขสะความว่าจริงอยู่ข้อนี้มีอธิบายเพียงเท่านี้ว่าก็ที่สุดเขตกําหนด ความหมุนเวียนแห่งกิเลสหมุนเวียนแห่งวัตทุกก็จบสิ้นสักทีเขาบอกงั้นตัดกิเลสวัสด์แล้วเมื่อกิเลสวัสด์ตัดแล้วกรรมวัฏก็ไม่ให้ผลเมื่อกรรมวัฏไม่ให้ผลวิปากวัฏก็ไม่เกิดผลของวิปากวัฏมีอะไรมาบ้างวิปากวัฏคืออะไรวิปากวัฏคือปฏิสนธิหรือชาติถ้าชาติเกิดผลพวงของชาติคือชราพยาธิมรณะ อา้าวถ้ามีชาติชาราพยาธิมรณะผลของเขาคืออะไรสโสมกะปริเทวะทุกโทมนับและอุปายาตแต่ว่าเรานี่กลัวผลนะแต่ไม่ค่อยกลัวเหตุเหตุนี่ๆนี่ดอา้าวถามว่าเพลิดเพลินในอารมณ์ใดๆความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นเหตุแห่งชาติพมาฟังฟังจากพระพุทธพจน์นี้แหละทําให้อัศจรรย์ใจในคําสอนอีกอย่างหนึ่งบอกพรุทธเจ้าบอกว่าถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะอย่างเงี้ยไอ้ทุกหมายถึงว่าต่ทุกเกิดแล้วนะ นี่เราก็เอเพลิดเพลินนี่มันน่าจะดีใช่ไหมหรือบางทีก็แบบเหมือนทนิยะน่ะนายทนิยะโคบาลน่ะนะคนเลี้ยงโคเอาคนมีโคก็เพลิดเพลินเพราะโคคนมีบุตรก็เพลิดเพลินเพราะบุตรเออน่าจะดีนะน่าจะสนุกที่ไหนได้นั่นแหละนั่นแหละต้นต่อแห่งทุกทั้งหมดเขาทําไมมีอัตตาจักไม่มีผู้ใดติดเป็นแน่ มีผลไม้บางอย่างเนี่ยขมปีเปรี้ยวกับเปรี้ยวโทษกว่าสูง น, นะกินแล้วก็มีแต่พิษเนี่ยจักไม่มีใครติดเป็นแน่แต่ว่ามันอร่อยกว่าพิษอันนั้นจะออกมามันอีกนานใช่ไหมมันหวานตะก่อนมันหอมหวานอร่อยกว่าจะทุกออกมาเนี่ก็อีกนานเห็นไหมอ๋อ น, นะมาดูซิว่าพระมาลุกะยะบุตรเนี่ยนะโอ้ในหน้าหนึ่งรอยหนึ่งนะแวะไปชมที่อื่นซะยาวเลย อย่า น, นาีหน้าหนึ่ง้หนึ่งนะในเอกสารที่แจกไปนะพระองค์จะตรัสคล้ายคลึงกันมากที่ว่าเมื่อใดธรรมะทั้งหลายคือรูปที่เธอเห็นเสียงที่เธอฟังอารมณ์ที่เธอทราบและธรรมะที่เธอพึงรู้แจ้งในรูปที่เห็นจักเป็นเพียงศัก์ว่าเห็นในเสียงที่ฟังจักเป็นเพียงศัก์ว่าฟังในอารมณ์ที่ทราบ จักเป็นเพียงศักว่าทราบในธรรมะที่รู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอจักไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำสิ่งนั้นคือสิ่งไหนจักไม่มีความกำหนัดด้วยอันนาราคะครอบงำจักไม่มีโทสะครอบงำจักไม่มีโมหะครอบงำเมื่อใดเธอจักไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำเมื่อนั้นเธอจักไม่พัวพันในสิ่งนั้น ถ้าไม่มีตัณหามานะทิฏฐิกิเลสอวิชชาไปพัวพันในอารมณ์นั้นนเนี่ยนะเธอก็ไม่มีในสิ่งนั้นใช่ไหมเธอก็จักไม่พัวพันในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอจักไม่พัวพันในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจักไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็สิ้นตัณหาเพราะว่าของเราส่วนใหญ่เนี่ยนะจะไปเนื้อเอ๊ะที่สุดแห่งทุกข์ในโลกนี้มั้ง ที่สุดแห่งทุกข์หรือว่าอยู่ในโลกอื่นเอ้โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่สงสัยมันอยู่ไอ้ช่วงว่างๆตรงนั้นละมะั้งอันนี้นก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละเจรพอสังขาระโลกในภพนี้ก็ไม่มีในภพหน้าก็ไม่มีไม่มีในระหว่างภพก็ไม่มีมีไหมไอ้ภพช่องว่างๆระหว่างภพอ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนแต่ว่านะถึงเราจะคุยกันว่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆเนี่ยเราจะนึกไม่ออกหรอก ถามว่าทำไมจึงนึกไม่ออกเขาบอกว่าเราต้องนึกถึง ม, ม, มีมีมะม่วงต้นนึงอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราไปตัดการส่งอาหารให้มัน น, นะคือที่เรียกว่าแถวแถวอีสานเนี่ยนะ อ, อีสานเนี่ยเขาจะเอามีดไปถากเปลือกออก ก็ว่าพอทากออกหมดเนี่ยนะแล้วก็ไม่ให้ไม่เอาอะไรไปพอกเนี่ยนะต้นไม้นานๆเข้ามันจะแห้งตายถามว่าตายเนี่ยนะต้นไม้บางต้นเนี่ยทายัางไงก็ไม่งอกอีกแต่บางต้นเนี่ยทำอย่างนั้นนะมันจะออกโคนใหม่นะชั้นใดก็ดี A. อารยมรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปเป็นลักษณะนั้นไปตัดเชื้อที่จะให้สืบต่อไปเพราะฉะนั้นต้นไม้ชนิดนี้มันก็จะผุเปื่อยสืสสูญสลายไปเลย เพราะตัดการลำเลียงเชื้อไปแล้วอริยมรรคเนี่ยนะเป็นเหมือนกับการถากออกไปหรือบางทีบางคัมภีร์ท่านใช้ก็ว่าเหมือนกับหางกระเบนที่ชุบพิดอ่ะนะแล้วก็หวดไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะตน้นไม้จะมีอายุอีกเท่านั้นปีอย่างเงี้ยแล้วหวดไปถ้าหวดครบสี่ครั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ตายนะยืนตายซากเลยประมาณั้นอันพผ้ารหันเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยนะจะว่าเหมือนตายซากก็เหมือนนะเพราะระารหันไม่มีเชื้อแห่งตันหายเลยอันะั คือไม่มียางเหนียวผูกพันในอารมณ์ใดๆเลยมันผ้าอาหารหันเนี่ยนะไม่ใช่แผ่นดินก็เหมือนกับแผ่นดินไม่ใช่น้ําก็เหมือนกับน้ําไม่ใช่ลมก็เหมือนกับลมเพราะพระอรหันพัดหมดไม่มีติดัะแ่งพระอรหันไม่ใช่ไฟก็เหมือนกับไฟเพราะท่านจะอยู่ได้ในทุกสภาพคงที่ในทุกอารมณ์ไม่หวั่นไหวในทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นบางคนก็บอกเอองั้นชีวิตก็ไม่มีรสชาติใช่ย่างนั้นยงั้น ก็รสชาติแห่งชีวิตนี่แหละที่มันทุกข์นั่นแหละข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญพระมารุกยะบทท่านกล่าวนะข้าพระ อ, องค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วโดยย่อดโดยพิสดารอย่างนี้ว่าเพราะเห็นรูปจึงหลงลืมสติอีกสำนวนหนึ่งท่านแปลว่าลืมสติไปแล้วเพราะเห็นรูปต่างกันไหม เห็นรูปจึงหลงลืมสติหรือว่าหลงลืมสติไปแล้วเพราะเห็นรูปต่างหรือไม่ต่างก็คิดเอาไวแล้วกันม า, มาคิดบางทีก็ดูเหมือนต่างดูเหมือนไม่ต่างแยกมันคอยออกเหมือนกันเนี่ยนะเขาบอกเพราะเห็นรูปจึงหลงลืมสติหลงลืมสติไปแล้วเพราะเห็นรูปแต่ฟังดูก็เหมือนกันเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักใส่ใจโดยสุภาิมิต ก็มีจิตกำหนักเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจในอารมณ์นั้นก็คือเห็นว่าอารมณ์นั้นงามใช่ไหมโลภะก็เกิดเวทนาที่เกิดจากรูปนั้นจำนวนมากก็เกิดแก่เขาเอันนะโมนสมณัตกอุเบคาก็จะเกิดทาไมถ้าสีนั้นงามมากเป็นต้นเนี่ยนะสีเสียงเป็นต้นดีมากโสมนัตก็เกิดถ้าธรรมดธรรมดาแต่ก็ดีก็อุเบขาก็เกิดและจิตของเขาก็ถูกอภิชา คือโลภะและวิหิงสาคือโทสะเข้าไปกระทบถามว่ารูปงามๆนี่นะโทสะเข้าไปกระทบอย่างไรเาเช่นถ้าหากว่าอะไรที่เป็นเหตุให้รูปนั้นวิบัติมาเกี่ยวข้องถามว่าชอบไหมใช่ไหมไม่ชอบเพราะฉะนั้นอบริวารของอภิชาก็คือพวกโทมนัสนั่นเองนะนะเพราะเพราะจะคิดรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมใชม่ปัจจัยใดที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ชอบปัจจัยนั้น น, นโทสะก็จะเกิด เมื่อเขาสั่งสมทุกขอยู่อย่างนี้นะโลภติดใจเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นก็ชื่อว่าสะสมทุกข์แล้วนะบัณฑิตกล่าวว่ายังหางา่างไกลนิพพานโอ้ห่างไกลาจากความสิ้นตัณหาเหลือเกินนะถ้าหากว่าเห็นว่าอารมณ์นั้นโอ้ดีจริงน่ารักจังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะโอ้แต่ความสิ้นตัณหายังอีกไกลเท่ า, านั้นอีกห่างเหลือเกินเพราะฟังเสียงจึงหลงลืมสติ เมื่อสายใจในมิตรที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวย อ, อารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากเสียงจํานวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานนิพพานเป็นชื่อของความสิ้นตันหา ไอ้ความสิ้นตันหาเอา้าตันหาไปเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นตันหาจะไปสิ้นได้ยังไงใช่ไหมในขณะเดียวกันก็พอกพูนตันหาตันหาถ้าพอกพูนมันก็ห่างนิพพานไปเรื่อยอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเนี่ยนะดมกลิ่นจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดสเสวย อ, อารมณ์นั้นทั้งติดใจในอารมณ์นั้นอยู่ เวทนาที่เกิดจากกลิ่นจำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิเหงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังหางา่างไกลนิพพานเพราะลิ้มรสจึงหลงลืมสติบุคคลเมื่อใส่ใจในมิตที่น่ารักก็มีจิตกําหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่ เวทนาที่เกิดจากรถจำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเพราะถูกต้องโพธพะจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิต ท, ที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากโพธพะจำนวนมากก็เจริญแก่เขา